بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ุ والسلام على ฺ ش ر ف อฮฺุ ب ي ا ء والمرسلين نبينا محمد وعلى อ ل ه وصحبه ฺ ج م ع ي ن رضيت بالله رب ا ฺุ ا ل อฮฺุ م ลอฮฺุลลอ พระบิ ل ل ي รหลิสัตดิริว م าสิริอั ا ลิวะห์ดุน ي ุดะ و มินดิส ل นิยั ن กั ن ุ ا าวลิอัลลอฮุมะอินนาน ا สอัล ا ุกอิมณ์นาฟิญ์นวลิซ์กันทายิบันวะอัมลันมุต ا ควบ สลม uh. อะลัยุมวะราะมัตุลลอฮวะบระคาตุความสันติพระเมตตาความจริญความปราณีจากอัลลซุบฮานวะตาลประสบแ่พี่น้องที่มาเรียนอุรานทุกทุกท่านอัลฮมดุลิลลวันนี้เราอยู่ในสุ ร, ราอัลอารฟ อายะที่สามสิบแปดเลขอายะจะอยู่ข้างหลังนะครับอสามสิบแปดเนี่ยไปดูข้างหลังแล้วย้อนขึ้นมาข้างหน้านะเพราะว่าเวลาเขาจะบอกว่าอายะที่หนึ่งเนี่ยเขาต้องอ่านอายะที่หนึ่งก่อนแล้วก็เขียนข้างหลังอถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยจะเขียนตัวเลขแล้วค่อยเขียนแต่นี้ตามตามที่ในกุรานได้ เขียนอายะจะเขียนอายะหลังสุดนะครับอ่านไปแล้วแล้วค่อยเจออายะที่เท่าไหร่คือเราไม่อ่านเยอ่าั้นอายะที่สามสิบแปดก็ย้อนขึ้นไปจะ ข, ขึ้นขึ้นต้นว่ากอลละเดะคูลูฟีอูมามีก็ดะคอล์และมีก็บัลลิกุม นะเจอนะก้อละดะคูลูฟีอูมามีกัดข้อละมีกับลิกุมกัดข้อละมีกับลิกุมมินันจินนีวลอินซีฟินนาร์อะแต่พร้อมแล้วเริ่มต้นที่ฟติฮาก่อน أ า عوذ بالله من الشيطان الرجيم عوذ بالله من الشيطان ا ل ر ج م بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الر الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالكي يوم الدين مالكي يا ك ن َ ع ب ُ د ويا ك ن ت ع ي ن إ ي ا ك ن ع ب د ويا ك ن َ س ْ ت ع ي ن إهدينا ا ل س ر َ ا ط المستقيم إ ه د ِ ن ا ا ل ّ ر َ ا ط المستقيم ِ ر َ ا ط الذين أنعمت عليهم َ สิ่งทั้ง ع َายนั้นอยู่ในควา ا ل ิดของพวกเขาไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาต้องรั ا ผิดชอบ أعوذ ب ا ل ل บ م ล ا ل ش ي ม ا น ا ل ر ช ي م ิ ع و ذ อ ا ل ร ه ด ن ا ก ش ي ط ا ن ล ل ر ج ي م ق ล ل ฟีอุมาหมิ่ م ค د خ ัลต์หมิ่นบลุม ข้า م ล็มคับลิคุมมิ่นจินนิวอิสฟิน ดั่งขว aled ขุมมัตุลละแหนตอัคร تها ทุกเวลาดั่งขว aled ขุมมัตลละแหนตอัคร تها ถ้าอิศะดารักอูฟีฮาจามี แก่ยันการควบคุการเดนทาล่าวทุกข์ร่มลอูลุ่มกล่าวทกร่มลอุล่ามรับบนาฮาอุล อ ض ل ลูนาฟ้าติห์ ا อาดับารักห ض ل อุมาอีอาวลู ا าฟ้าติห์มอบฟตหอบ ดิ่งฟัมในนาร์ฟะฟะอ ت มฟะอัติฮิมดิ م ِฟัม ا นนาร์กล่าว لكل ضعف و ل َ ك ل ا تعلمون وقالت أولهم لأخرهم وقالت أولهم لأخرهم ف م ا كان لكم علينا من فضل فذوق กุลอาดับบิมากุณตุมตักซิบูนฟ้ลกุลอาดับบิมากุณตุมตักซิบูนอ่ะมาดูความหมายนะครับต่อจากอายะที่3ามก็พูดถึงบรรดาพวกมูนาฟิกูล แล้วก็พูดที่อุปโลกความเท็จให้แกอัลลอฮ์ส่วนไม่ดีของพวกเขาก็จะประสบแก่พวกเขาส่วนสิ่งที่เขานั้นได้เคยขอความคุ้มครองเอาไว้พออยู่ในวันกยามะไอที่เขาไปขอเนี่ยมันก็เป็นไงมันก็หนีหายไปหมดเรียกได้ว่าไปขอผิดคนนะไปขอผิดคน เพราะอัลลอซุบฮานะหัวตายและเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะช่วยเหลือและทรงอำนาจสูงสุดเก้าอีออ้ไม่มีเหรอเก้าอี้พอไห ม, ไ ม, มอ๋อพอลมไม่ถึง เ, เดี๋ยวใช้ลมตัวหันนะขอดูอ่ะ อ, <laughs> อ่ะ อายะที่สาสิบแปดอัลลอฮ์จะบอกว่าไงกอละเดอคูลูพระองค์ได้ตัดว่าพระเจ้าจงเข้าไปอุออดเดคูลูแปลว่าจงเข้าไปไปอยู่กับใครไปอยู่กับใครฟีอูมามีกอเดอคอและมีกอบริกุม้มไปอยู่ร่วมกับประชาชาติที่ล่วงลับไปก่อนน ะ, ะจากมีนัลยินจากเหล่าบรรดาจินวันอินส์และก็มนุษย์ นะซึ่งที่อยู่ตรงนี้เนี่ยให้เข้าไปอยู่ที่ไหนฟินนาไปอยู่ในนรกคือนําเรียนกับพี่น้องว่าคนที่ตายไปก่อนหน้าเราเนี่ยแล้วเขาปฏิเสธศรัทธาเนี่ยแน่นอนว่าเขาเป็นคนที่ไม่สามารถจะกลับมาแก้ไขอะไรได้แล้วพออายันมาแล้วตายในสภาพไหนก็จะฟื้นขึ้นมาในสภาพนั้นนั่นหมายความว่าก่อนหน้านี้ อัลลอฮ์ได้ยกอุทาหรณบทเรียนให้แก่คนที่ปฏิเสธนะอย่างในกุรานเล่าถึงฟิรูนบอกถึงฮามานบอกถึงกอรูนเหล่านี้คือเป็นรุ่นพี่ <c oughs> อ่า <c oughs> พี่ใหญ่ <c oughs> ที่มีคนยึดถือแนวทางนี้ถามว่าในปัจจุบันนี้ยังมีคนทำเหมือนฟิรูนไหมตั้งตนเป็นพระเจ้า <c oughs> ก็ยังมีอาจจะไม่ได้ ไม่ได้นับตัวเองเป็นพระเจ้าแต่ก็ให้อย่างอื่นเป็นพระเจ้าเช่นให้เงินเป็นเป็นพระเจ้าให้อำนาจเป็นพระเจ้าถ้าเงินมาทุกอย่างฉันเปลี่ยนได้หมดไม่สนและอันไหนถูกผิดหรือยอมขายตัวเองแลกกับอำนาจที่จะได้ใช่ไหมอูบัยบินคอลัฟตัวอย่างของพ่อค้าที่ขาดคุณอย่างย่อยยับเพราะขายขออย่างเดียวไม่ละหมาดไม่ทาความดีไม่สนใจเรื่องศาสนา สุดท้ายพี่น้องผูมหมานทั้งหลายเป็นแผลแคบไปเล็บขวรตายทรมานตายเขาบอกว่าแค่นบีถุยน้ำลายใส่เนี่ยผมน้ำลายใส่เนี่ยก็ตายเลี้ยวนะวันสงครามบาดัดพวกนี้พบจุดจบที่เลวร้ายทั้งหมดนี่คือรุ่นพี่ของบรรดาคนชั่วๆวทั้งหลาย<อ>นั้นอลัลลอฮจึงบอกว่าไอ้คนที่ชั่วยุคหลังเนี่ยก็เข้าไปอยู่รวมกับรุ่นพี่แกนั่นแหละอ่า ไปอยู่กันในไหนไปรวมกันอยู่ในนรกทั้งหมดเลยอ๋อนี่ฉันเกิดคนละยุค ก, กันทําไมเจอมันเจอท่านละ่ะอ๋อฉันมาก่อนแล้วมาอยู่ก่อนนานำก่อนแล้วนำมาก่อนแล้วมีรุ่นพี่รุ่นน้องแต่คนนี้รุ่นพี่รุ่นน้องจะจะขิงกั น, นมีด้วยในกุฎานบอกจะข่มกันบอกว่าไงกุลลมาดาคอลัชอุมมะอุมมะตุลลานัชอุกตาฮาเอาและบอกว่าไงอุกตาฮานะบอกว่า ทุกครั้งที่กลุ่มชนหนึ่งเข้าไปเนี่ยพวกเขาก็จะสาบแช่งพี่น้องของพวกเขาทุกครั้งที่เข้าไปไอ้คนที่เข้าไปทีหลังก็จะสาบแช่งไอ้คนที่อยู่ก่อนเปรียบเสมือนเป็นคนที่เคยนําทางมาชี้นํามาไอ้พวกนี้แหละตัวดีเลยเป็นอะไรเป็นแบบให้ฉัน่าจนกระทั่งพวกเขาเนี่ยเป็นไง ฮัตตาอีดัดดาร์กูฟีฮาจามีอจนกระทั่งพวกเขาเนี่ยไปชุมนุมร่วมกันทั้งหมดอยู่รวมกันอยู่ในนรกทั้งหมดนั่นหมายความว่าคนเนี่ยจะทำชั่วในยุคไหนก็แล้วแต่พอสุดท้ายบัรพาย ไ, ไ, ไปรวมกันหมดเลยอยู่ในนรกจะทำชั่วสมัยนบีนัวทำชั่วสมัยนบีอิบรอฮีมทาชั่วสมัยนบีมูซาอีซาพอสุดท้ายแล้วเนี่ยไปที่เดียวกันหมดคือไปรวมกันอยู่ในนรกนะ เสร็จแล้วเป็นไงกอลัชอครหุ่มลีอูลาหุมคนกลุ่มหลังเนี่ยกลุ่มหลังกลุ่มหลังแปลว่าอะไรกลุ่มหลังก็หมายถึงคนที่เพิ่งเข้ามาเพราะว่านับจากเข้ามากันใช่ไหมหลังสุดที่เข้ามาก็คือเข้ามาที่หลังเลยก็เลยกล่าวกับคนที่อยู่ก่อนหน้านี้ บรรดาหัวหน้าจอมพวกชั่วทั้งหลายที่อยู่ก่อนบอกว่าไงด อ, อดอเลยดอะไรรับบานาฮาอูลอีอดลลูนาฟาติฮิมอาดาบันเดีฟา ม, มินันนารโอ้พระผัอ พ, พิบาลของเราพวกเหล่านี้แหละที่ทำให้เราหลงผิดดังนั้นโปรดได้ทรงนำพวกเขา มาลงโทษในไฟนรกสองเท่าต้องดับเบิลเพราะถือว่าเป็นพวกรุ่นใหญ่ อ, อรุ่นใหญ่นำพาไอ้คนรุ่นหลังเนี่ยให้ไปสู่ความผิดแต่คราวนี้เนี่ยมันมันจะไปบ่นงั้นไม่ได้หรอกเพราะอะไรละ่ะไอ้เขาทำไม่ดีเนี่ยเราต้องทำตามเขาเรอเรื่องของเรื่องเนี่ยเดี๋ยวล้อไม่ได้ให้สติปัญญามาให้มาแล้วมันก็ต้องโทษตัวเองนั่นแหละที่ไปทาตามทาไมละ่ะใช่ไห คันี้เวลาคนเรามันจะโดนลงโทษเนี่ยมันก็โวยกันไปโวยกันมาบอกว่าไอ้คนกลุ่มเนี้ที่เข้ามานารกก่อนเนี่ยนี่คือคนที่ทําความชั่วมาก่อนเป็นเหมือนตัวอย่างอย่างสมมุตินะชิริกเกิดขึ้นไอ้คนคิดคนแรกเนี่ยที่เอารูปปั้นมาทํามาทำนูน่นทํานี่เนี่ยไอ้คนรุ่นหลังก็เป็นไงทําต่อกันมาแหมประมาณนี้ว่าเขากำลังจะโทษไอ้คนที่เป็นรุ่นรุ่นอคนที่ทํามาก่อนเสร็จแล้วอัลลอฮ์บอกว่าไง อัลลอฮฺตรัสบอกว่ากอละลิกุลลีเดียฟุนวาลากิลลาตาลามูลการลงโทษเนี่ยมันเป็นสองเท่าอยู่แล้วนะมันเป็นสองเท่าจากไฟนรกและพระองค์บอกว่ากลุ่มนั้นแต่ละกลุ่มนั้นเนี่ยจะได้รับสองเท่าอยู่แล้วคือทุกกลุ่มเนี่ยได้สองเท่าหมดเพราะอย่าลืมว่าทุกครั้งที่เราทําความชั่วเนี่ยคุณเข้าไปที่หลังก็จริงแต่ไอคนหลังจากนั้นอีกล่ะก็มาอีกมันก็สืบไปเรื่อยๆ เออในคนทําชั่วเนี่ยมันจะเหมือนกับว่ามีคนคอยทําตามไปเรื่อยๆอ่าแม้ว่ า, าจะเข้ามาจะไปโทษไอ้คนรุ่นก่อนและไอ้รุ่นหลังจากนี้ที่ขึ้นมาใหม่ก็โทษเราเหมือนกันก็เป็นอย่างเงี้ยสองเท่าไปทั้งหมดทุกกลุ่มสองเท่าหมดวลลลม่ล้กินแล้ตาล้มูนแต่พู้เจ้าเนี่ยไม่รู้เข้าใจว่าตัวเองจะโดนเท่านึงที่ไหนได้เราก็สองเท่าเหมือนกันเพราะว่าเราก็เคยทิ้งไอ้ขอไม่ดีไว้เยอะเลยให้คนทําตามเอาต่อมากอลั แคนี้ไอ้คนรุ่นเก่าบ้างแหละที่เข้ามาก่อนบอกว่าไงคนกลุ่มแรกที่เข้ามาแต่แรกเลยอยู่ในนรกนะก็บอกกับคนไอ้ที่เพิ่งมาใหม่เนี่ยลีอุครอหุมฟามากานารักุมอาเลนามินฟอดลินพวกเจ้าก็ไม่ได้มีความดีเด่นไปเหนือกว่าพวกข้าหรอกก็พอกันเท่านั้นแหละกระทาชั่วเหมือนกันเนี่ยจะมาบอกว่าฉันทําชั่วมากกว่าแกทําชั่วน้อยกว่าก็ทําเหมือนกันจะไปบอกว่าตัวเองดีกว่าโดนคนอื่นได้ยังไง เข้าใจยังทำเหมือนกับเขาไหมล่ะอ่ะทำเหมือนกั น, น, ก, น mm hmm. ก็พอกันนั่นแหละนะดังนั้นสุดท้ายแล้วไอ้คนรุ่นก่อนก็เลยบอกว่าฟาดูก hmm. ุล um ah อาเจียบบีมากุณตุ้มตักสีบุญพวกเราก็มาลิ้นรถการลงโทษของอัลลอ์ที่เราทำไว้ด้วยกันเถิด hmm. มารวมกันเลยมารวมกันเถอะอย่ามามาโทษคนนู้นโทษคนนี้เลยเพราะวันนี้เรามาอยู่ที่เดียวกันแล้วคือนรกอันนี้คนนรกนะพวกเราไม่มีอันทมดูลินแล้วขอดูอานะ พอเราจะไปที่หนึง่งอันนี้ขอดูอาสิขอดูอาอย่าไปสิอ่าอย่าไปย อ, าอย่าไ ป, อ, าไปอันนี้คือบทของคนที่อะไรคนที่อยู่ในนรกทะเลาะกันเอ๋โจรเนี่ยพี่น้องครับพอเวลามันแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวเนี่ยดเดี๋ยวมันก็นทะเลาะกันนั่นแหละอันนี้เป็นนิสัยของโจรแต่คนดีเนี่ยพี่น้องผู้มีหมันทั้งหลายมีแต่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันลองดูสิถ้าเราไปทําอะไรที่เป็นเรื่องดีๆนะ และถึงเวลาต้องแบ่งกันเนี่ยบางคนแบบกแกเอาไปเถอะเฮ้ยนี่เอาไปเถอะ อ, อ, อยู่เงี่ยพอเผือทิ้งเอาไว้งั้นแหละไม่มีใครเอามันเกียงกันคนดีเขาจะเกียงใจกันมีแต่ใจแต่ไอคนที่เป็นโจรเนี่ยมีแต่ว่าเฮ้ยไม่ได้นะต้องฉันต้องได้เยอะกว่าดังนั้นเวลาในวงโจรเนี่ยถ้าแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวมันก็ฆ่ากันปิดปากกันนี่เหมือนกันเลยในนรกแต่ในนรกเนี่ยไม่มีใครได้รับมากกว่าน้อยกว่าทุกคนโดน เหมือนกันดอดีอาไฟคืออะไรโดนสองเท่าเหมือนกันหมดนะเพราะถือว่าชั่วกันทั้งนั้น ه, อ่าะอ่านต่อนะสี่สิบสี่สิบเอ็ดอินนัลลีนบูบอายาตินาอัสตบรอันเฮอินนัลลี จะกระโจนบُกَปยากนักและจะรู้อันเน่าลาตูฟถ้าหุ่นเอามาบุษมาอ จะไม่วายัดฮุลูนอันจันน์วายัดฮุลูนอันจันน์ถ้าหัตตาใหญ่จัลแจมลุฟีสัมมิลขี้าต์วายัดฮุลู وَكَذَلِكَ ن ج َ ز ل ا ل م ُ ج ْ ر م ي ن و َ ك َ ذ ل ك ن ج ز ي ل ا ل م ج ر م ي ن لَهُم م ِ ن ج ه ن م นั่นแหละนั่นแหละ มาดูความหมายนะครับอันนี้ยังอยู่ในบรรดาพูดที่ปฏิเสธศรัทธาปฏิเสธอายะของอัลลอ์และก็รวมถึงมุเนฟิกมฟิกีนที่ซ่อนความเป็นกุฟตไว้ในหัวใจบอกว่าไงอินนะแท้จริงอัลลอีนนักดบูบิอายาตินาบรรดาพูดที่ปฏิเสธบรรดาอายะต่างๆของเรา วสตักบารูอันหาและก็ได้แสดงการโอหังต่ออายะเหล่านั้นคืออย่างนี้นะพี่น้องนะคือลักษณะของกุรานเนี่ยคู่สัทานเนี่ยจะแสดงการอ่อนน้อมถ่อมตนคือเรียกว่าตะวาดวาเวลาฟังกุรานเนี่ยจะไม่รู้สึกไม่จะไม่รู้สึกว่าหุ่ยปฏิเสธคือหัวใจเนี่ยจะยอมรับศรัทธาวันเกรง ต่อสิ่งที่กูรรานนั้นได้เล่าให้เราฟังนี่คือลักษณะของคนที่เป็นผู้ศรัทธาแต่คนที่ไม่เอากุรรานเนี่ยเขาฟังกูรรานแต่เขาจะไม่รู้สึกอะไรเลยเพ้อเนี่ยสวนกูรรานด้วยซ้ำํำนะมีนะบางคนฟังกุรรานไปฟังกุรราญมาเฮ้ยทำไมพูดอย่างนี้ล่ะชะใช่เหรอมีสวนนี่แหละคือการแสดงความโอหังต่ออายาห์ฮะลอนะ คนเหล่านี้เนี่ยลาตูฟตาฮุลลาหุมอับอับวาบุสามาประตูบรรดาประตูใช้คำว่าอับวาประตูประตูอะไรประตูแห่งฟากฟ้าจะไม่ถูกเปิดแก่พวกเขามีการอธิบายคำว่าประตูแห่งฟากฟ้าเนี่ยหมายถึงผลงานดีๆหมายถึงผลงานดีๆที่เขาทำเนี่ยหรือการขอดอาดมเนี่ยอัลลอฮจะปิดเลย คือคนที่เป็นผู้ติปฏิเสธศรัทธานเนี่ยคืออย่างที่เราทราบกันอยู่ว่าแต่ละวันเนี่ยจะมีมารีกานําผลงานไปเาไปไปนําเสนอกอลว์ AH, ไปให้อลว์นะแต่ละวันสุโบรอบหนึ่งนะบางอะไเงาบอกอัสซรีบางอะไอางบออ า, บ, า, งอไอางบอกมะกระด еп นะอันะอสซารีและมะกระด еп วันรองวันหลังอ่านเนี่ยสองเวลานี่แหละอ่าอ่านมาเจอทั้งสองอย่างอ่าบางคนก็บอกมาหลังอัสซัรี คืออัสการยำเช้ายำเย็นอ่าแล้วก็ในอีกอันหนึ่งก็คือในช่วงในช่วงสัปดาห์กับวันพฤหัสที่เราถือสินอดกันอ่าวันพฤหัสนบีให้ถือชอบให้ถือคือวันจันท์เนี่ยนบีให้ถือเพราะอะไรเป็นวันเกิด น, นบีนบีก็เลยให้ถือวันจันทร์ส่วนวันพฤหัสเป็นวันที่อามันถูกนําเสนอ ส่วนเดือนล่ะเดือนนู่นเดือนก่อนอัมรัดเดือนชาบานะ บ, บ, บีจึงบวชยุะๆในเดือนชาบานเพราะเป็นเดือนที่อามันจะถูกนำเสนอนี่ถูกนาเสนอรอบรอบวันรายวันรายสัปดาห์แล้วก็รายปีครนี้อันนี้คือผู้ศรัทธาจะมีการขึ้นลงของมาริกะนําผลงานเราไปนําเสนอต่อลอแต่สำหรับคนที่ปฏิเสธ ปรากดวันนี้เป็นคนใจบุญเลยเลี้ยงเด็กกพาพร้าแต่ไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นำไปแล้วเป็นไงประตูปิดไม่รับไม่รับผลงานไม่ถึงอลัลลอฮ์เลยใครทําชีริกต่ออัลลอฮ์ใครปฏิเสธอลัลลอฮ์ทำความดีให้ตายไงก็แต่ความดีไม่ไปถึงอลัลลอฮ์เลยคืออลัลลอฮ์ไม่รับเลยเนี่ยเรื่องใหญ่ไหนนั้นมีก็ถามว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมทําความดีอลัลลอฮ์จะรับไหมคําตอบคือไม่รับครับเพราะอะไร เพราะประตูนี่ปิดแล้ววิธีเปิดประตูทํายังไงล่ะศรัทธาอีมานนะแล้วก็ยังมีบทดูอาบางบทที่เป็นการเปิดประตูชั้นฟ้าอัลลอฮหุอัคบัตกับีรอ้วะทำดุลิลละฮิกัซีรอวะซุบฮานัลลอฮิบุกรอตาวะซีลาอันนี้อ่านตอนไหนตอนหลังจัดตะเบียตุนยารอมขึ้นใดูอาอิสติฟตาบทเนี้ยเป็นบทเปิดประตูชั้นฟ้าในฮะดิษบอกนะอ่านบทนี้ ใครอ่านบทนี้ก่อนที่เราจะก่อนที่เราจะอ่านฟติหะเฉพาะรักอาแรกรักอาเดียวนะมีมีรักอาอื่นมีรักะอาแรกเนี่ยในฮะดิษบอกว่าประตูชั้นฟ้าจะเปิดพอโซอาบะได้ยินฮะดิษบทนี้เขาบอไม่อ่านต้นอื่นแล้วเอาต้นนี้ต้นเดียวอ่าแต่แต่ว่าอย่างนี้คือเราจอ่านต้นอื่นก็ไม่ผิดนะแต่ต้นเนี่ยมันมีเป็นเป็นพิเศษคือเปิดประตูชั้นฟ้านั้นเมื่อเรืเปิดประตูชั้นฟ้าแล้วเนี่ยเราขอดูอาเป็นไงอลอลรับหมดเลยอันนี้กขาเรียกเทคนิค วัจ <Okay. S 2> e นอ e? e? ีกต้นหนึ่งวัจนก็อีกต้นหนึ่งต้นเนี้ยมันสุดแค่นี้วัจนนี่คืออีกต้นหนึ่งคือสังเกตง่ายๆเลยดวงอิสติฟตาที่ยาวปั๊บเนี่ยนบีจะอ่านในละหมาดตะหัดยุดฉันก็ทองไม่ได้ยาวบุดเลยแต่ถ้าเป็นที่อ่านในฟัดดูจะสันส้นๆกระชับเพราะนาบีเป็นอิห ม, ม่ำนำละหมาดถูกไหมนบีเป็นอิหมำนำละหมาดจะไปอ่านต้นยาวใารหลังก็นึกว่าลืมพอ ด, ดีห้พอดี แล้วเลาเาว่าใบกะบีรอเนี่ยเป็นอะไรที่กระชับมากเพราะอะไรครับเป็นสรรเสริญเราเเปิดประตูสวรรค์อ้ไปขอตัวเดีเปิดประตูชั้นฟ้าก็ไม่ควรทิ้งไทิ้งก็ป็นผิดอะไรเป็นอะไรนะเร่งอสั้นแต่ดีหลายเรื่องนะอ่านสั้นแต่แต่ได้ดีกว่าเ่อ ไอ้ต้นนี้ต้นนี้เนี่ยจาไว้เลยนะเปิดประตูชั้นฟ้าอ้าวต่อมาอีกรายงานหนึ่งสนับสนุนอีรายงานหนึ่งบอกว่าไอ้คำว่าประตูชั้นฟ้าเนี่ยหมายถึงว่าวันที่เอาวิญญาณขึ้นไปพอมีหะดิษบอกนะวันที่อัลลอฮ์วันที่มาลิกาเอาวิญญาณคนชั่วไปเดี่ยเขากล่าวว่านี่มันและมันก็ได้ถูกนําขึ้นไปโดยผ่านบรรดามาลิกา และพวกเขาก็กล่าวว่าวิญญาณชั่วเหล่านี้เป็นวิญญาณของใครกัน mm hmm. เขาก็ตอบว่าชายคนหนึ่งเป็นลูกคนนั้นคนนี้ในรายละเอียดนี่อายหมดเลยนะบอกหมดเลยเป็นลูกใครลูกใครลูกเต้าเหล่าใครวิญญาณชั่วแล้วก็บอกต่อว่าชื่อเนี่ยมันจะถูกขนานนามไปทั่วเลยถูกประกาศไปหมดเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าขณะที่มีชีวิตในยุญญาเนี่ยเขากับเนโรคุนต่อล้อ หลังจากนั้นก็ถูกนำขึ้นไปบนชั้นฟ้าขอให้เปิดประตูแต่ประตูไม่ยอมเปิดให้และนบีก็อ่านอายะห์เมื่อกี้เลยลาตูฟ ah ah um ัตตาฮุลลาหุมอับบาวบุษะมาคือถ้าไม่ขึ้นประตูชั้นฟ้าไปก็เข้าสวรรค์ไม่ได้อยู่แล้วนะอันนี้คือสองรายงานเลยปรากฏว่าอิบนูจูร้อยบกวก็เอาทั้งสองรายงานนี่แหละมารวมกันแปลว่าคนที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ย เขาจะทำอามันอะไรก็แล้วแต่ไม่ถึงอัลลอฮ์เลยประตูปิดหมดดูอาอะไรก็ไม่ถึงอันที่สองวันที่เขาตายวิญญาณก็ขึ้นชั้นฟ้าไม่ได้ถูกปิดต่อม า, อมาววละยะตะคูลนั่นจะ น, นะฮะตา จ, จ, จาริจัจะมาลูฟิซ ม, มิลคียาตบอกว่าไงและพวกเขาจะไม่ได้เข้าสวรรค์ อ่าจนกว่าอูดเนี่ยจะลอดเข้าไปในรูเข็มได้เข้าได้ไหมไ ม, ไ, ไม่ได้อยู่แล้วอูดที่ไหนเลยไปรอดเข้ารูเข็มคําว่ายอมันเนี่ยแปลว่าอูดโตเต็มวัยด้วยนะอล๋อแค่ลูกยังไม่ได้เลยแต่ว่าตัวเต็มวัยเลยอรููเข็มมนิดเดียวก็คือตรงนี้ก็คือเป็นการบอกว่าพวกเขาจะไม่ได้เข้าสวรรค์อย่างแน่นอนเกินกว่าลูอูดจะลอดรูเข็มได้ซึ่งเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะและในทํานองนั้นแหละ กแดริแกนัจิซินมุจเรมีนี่คือการลงโทษของคนที่ที่อะไรที่ทําความผิดที่เป็นอาชญากรมุจรมเรมีนแปลว่าอาชญากรนะอ่าบางคนบอกเอ้าวเขาไม่ได้ไปฆ่าคนนะก็เขาเป็นคนที่ทรยศเนรคุณต่อผู้ที่มีพระคุณเนี่ยก็คือเอาลอตตาแหละนะเขาก็เลยบอกบอกไปเหมือนกันว่ามันก็มีคนมุสลิมะอ่ามุขต่อีมุสลิมใหม่เนี่ยพอเวลาจะรับอิสลามก็จะถูกคุณพ่อเนี่ย บอกว่าทําไมเป็นคนเนรคุณกับพ่อแม่พ่อแม่เลี้ยงดูมาแล้วทําไมไปเปลี่ยนศาสนาละ่ะเนรคุณกับปู่ย่าตายายที่นับถือศาสนาเดิมมา it MO er <S <S เขาบอกว่าวิธีหนึ่งก like ็บอกว่าถ้าถ้าคุณพ่อบอกว่าฉันเป็นผู้เนรคุณเนี่ยคุณพ่อก็ไม่ต่างกับฉันเหมือนกันทําไมล่ะก็คุณพ่อก็เนรคุณกับผู้ที่สร้างคุณพ่อมาพระเจ้าที่ให้อ่าอ่าพราะว่าไม่เชื่อไม่เชื่อก็ศึกษาก่อนสิครับอย่าพึ่งสรุปศึกษาเหมนผมผมศึกษาเลว โยนเขาบอกให้โยนคดิตไอ้คาว่าเนรคุณกลับไปนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้เราไม่ไเน ร, รคุณเพราะอะไรเพราะเรากำลังกระตัญยูต่อผู้สร้างดังนั้นอิสลามสอนให้เรากระตัญยูต่อบิดามารดาในกรณีที่บิดามารดาไม่ได้ใช้เราให้ทรยศต่ออัลลอฮ์แค่นั้นเองนะเอาต่อมาละหุมมินจะฮันนามามิฮาดูวะมินฟาอูกีฮิม อ้าวขอโทษอ่ามีฟาวกี้ทิ่ผุละกอวาชสำหรับพวกเขานนเนี่ยจะมีที่นอนอยู่เหมือนจะดีนะแต่ที่นอนเนี่ยนอนอยู่ในนรกยะฮันนำอ่ามีฮาดุลและเบื้องบนก็เขาเรียกว่าปกคลุมเขาด้วยอ่าตรงนี้เนี่ยมีการอธิบายบอกว่าคือที่นอนของเขาเนี่ยเบื้องบนที่คลุมก็เหมือนกับมีผ้านวมอยู่แต่ทั้งหมดนี่คือไฟนรกเนี่ยเป็นไงมันล้อมทั้งหมด คือปกติเวลาเรานอนเนี่ยเราก็จะโดนที่นอนเฉพาะที่หลังหรือแม้กระทั่งเวลาเราย่างอาหารก็แล้วแต่ถ้าเราย่างอาหารเราก็จะย่างเฉพาะไอ้ข้างล่างไอ้ข้างบนมันยังไม่โดนก็เราต้องพลิกแต่ในนรกนี่ไม่มีด้านไหนไม่โดนนะโยน<ม>ทั้งหมดไม่ใช่ด้านข้างล่างโดนไหมไอ้ข้างบนไม่ไมไมทั้งหมดมันคุมทั้งหมดเออเนี่ยเปรียบเสมือนเนี่ยเหมือนกับคนเ อ, อนอนแล้วก็คุมโป่งอยู่นรกห้อมล้อมทั้งหมด ในทำนองนั่นแหละวะกะดาลิกะนันจัดิซรอรีมีนนั่นคือการลงโทษของผู้ที่อาธรรมทั้งหลายน ะ, อ, ะอันนี้พูดถึงลงนรกนะครับอ้ามันอ่านต่อนะสี่สิบลละสี่สิบสาม و ا ل ذ ي ل ا آ م ن و و ع م ل و ا ص ا ل ح ا ت و ا ل ذ ي ل ะ آ م ن و و ع م ل ล ا ص ا ل เราไม่คุ้มที่จะเสียไป ت ะแงนِำในส ا ดุริฮ์มิ ا กิลเละตาจ ن ริมิลทัพทิมุลอันฮาร์ ق ال ا ل ال ُ الح ا الحمد لله الذي هدانا لهذا و قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كننا ل ِ ن ت ل ا ت د ي َ لو لا أنهادا ان الله وما كنّا إلا ت غ ي l ل ا ولا أنهادا الله لقد جاء ا ل ر س วันดูอّ ة ติลกุมุลจันนตุอริสตุมุฮาบ ت ม م ْวَตุมต ل ُ و ลู ดูอายะที่42นะหนึ่งในหนึ่งในสุนนะข้อหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> ในการอ่านกุร่านเนี่ย mm hmm. ก็คือว่าเวลาที่ผ่านอายะไหนที่เป็นการลงโทษ mm hmm. ให้เราขออะไร mm hmm. ขอความคุ้มครองจากอ mm ัลลอฮ์อย่ามาเกี้ยก่อนหน้านี้พูดถึงชาวนารกเราก็ต้องขอต่ออัลลอฮ์ให้ไงให้เรารอดพ้นห่างไกลจากไอ้พวกนี้ แล้วพอเวลาเราเจออายาไหนที่พูดถึงการตอบแทนความดีคนดีเราก็ขอดูอาให้เราเนี่ยได้รับสิ่งเหล่านี้นะอันนี้คือเวลาที่เรารู้ความหมายแต่เราไม่รู้ความหมายเราก็ไม่รู้แต่รู้ความหมายด้วยเราเจอปุ๊บโออันนี้พูดถึงชาวนรกกลัวเหลือเกินพอกลัวทํายังไงอย่าให้เราได้ไปส่วนร่วมกับพวกนี้ด้วยเถิดขอให้เราห่างไกลจากพฤติกรรมเหล่านี้ด้วยเถิดแล้วเราก็จะตอบรับดูอาด้วยเพราะอะไรเพราะเรากําลัง ใครควรพิจารณาถึงพระดำรัสของร่ล้ออยู่อายะที่สี่สิบสองเนี่ยตรงกันข้ามแล้วพูดถึงคนดีบ้างวัลลดีนาอามนานุวะมิสสรุสโซลีฮ่าและบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อร่ล้อศรัทธาแบบไม่มีเงื่อนไขนะพี่น้องนะเออแปลว่าอะไรแปลว่าถ้ายังถ้าอย่างงั้นฉันถึงจะศรัทธาถ้าอย่างงั้นถึ ง, ถงจะศรัทธา ต้องศรัทธาแบบหมดหัวใจไม่มีข้อยกเว้นนะไม่มีข้อยกเว้นในการศรัทธาศรัทธาแบบร้อยเปอร์เซ็นครึ่งคึ่งกลางๆไม่เรียกผู้ศรัทธาเด็กมูนาฟิกถ้าเป็นผู้ศรัทธาแล้วต้องไม่มีข้อยกเว้นหลักการของอัลลอฮ์ข้อใดที่พระองค์สั่งนั่นคือเราน้อมรับส่วนปฏิบัติได้เนี่ยเดี๋ยวจะมีอีกอะไรอีกวักหนึ่งต้องยอมรับก่อนว่านี่คือคําสั่งของอัลลอฮ์ ว้ามีรุสซอริฮารและก็ปฏิบัติคุณงามความดีที่อัลลอฮ์ใช้ปฏิบัติสิ่งที่อัลลอ์ใช้และก็รวมถึงไม่ทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามด้วยน ะ, ะทำดีตรงนี้หมายถึงต้องไม่ทำของที่เป็นข้อห้ามด้วยและนูกัลิฟูนับซันอิลลาุสอาหาเราก็คืออัลลอ์เนี่ย จะไม่บังคับชีวิตใดนอกจากชีวิตนั้นมีความสามารถเท่านั้นถ้าเราไม่มีความสามารถสุดความสามารถนั่นแหละก็คือหุ่งมของอัลลอฮ์แม้ว่าพระองค์จะกําหนดไว้ก็ตามเช่นน่เชิญจ้ะโดยปกติเนี่ยศา ส, สนาสอนในเวลาเราละหมาดเรายืนละหมาดถูกไหมเรายืนละหมาดอยู่แล้ะ อันนี้พูดถึงละหมาดคนดูนะถ้าละหมาดซุนนะใครที่ยืนไหวและจะนั่งละหมาดอนุญาตนะครับไม่เป็นไรนะคือยืนไหวนะคือยืนจะยืนไหวหละแต่ฉันนั่งดิฉันนั่งไอการนั่งเนี่ยไม่ได้เป็นการทําให้เสียละหมาดแต่ผลบุญจะเหลือครึ่งของคนยืนเออแต่ส่วนคนที่ยืนไม่ไหวและนั่งผลบุญเต็ม ต้องแยกกันแต่ถ้าเป็นฟัดดูเนี่ยต้องสุดจริงๆถึงจะนั่งต้องฝืนนิดนึงแะฝืนนิดนึงหมายถึงว่าตัวเราเป็นคนบอกนะผมไม่บอกผมบอกใครไม่ได้หรอกเข่าของพี่น้องไม่ใช่เข่าของผมผมก็ไม่รู้อาการเป็นยังไงปวดยังไงตัวพี่น้องต้องเป็นคนบอกเองว่านี่คือสุดความสามารถแล้วเมื่อสุดความสามารถนั่นแหละศา ส, สนาอเอาแค่นั้นผ่อนต้นลงมาเห็นไหมดังนั้นคําว่าอิสลามเนี่ยโห่เข้มเหลือเกิน เข้มจริงครับสําหรับคนที่มีความสามารถแต่ถ้าคนที่อ่อนแอก็ทําตามที่คุณไหวเห็นไหมอ่าอัลลอฮฺจะไม่บังคับเด็ดขาดสาหรับคนที่ไม่มีความสามารถนั้นมันมีมันมีอันนึงที่คนที่มีพฤติกรรมของมอัฟนะเบี่ยงเบนแพมเพสเนี่ยเขาบอกว่าจิตใจเขาเป็นแบบนี้แล้วจะฝืนได้ไงนั่นกำลังจะบอกว่าอัลละฮฺใช้เกินกว่าที่ใจเราทําไม่ได้หรอกไม่ใช่หรอก ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยากจะไปหลับนอนกับผู้หญิงผู้ชายที่มีความมีกำหนัดแล้วอยากจะไปนอนกับผู้หญิงก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะสีนาอิสลามก็ห้ามสินาไม่ได้ห้ามเฉพาะผู้ชายรักผู้ชายอย่างเดียวแต่เราต้องคุมตัวเองให้อยู่ไงประเด็นก็ต้องคุมตัวเองให้อยู่ต้องปรับหัวใจเราให้ตรงกับที่ศาสนาบอกแสดงว่าถ้าหุกกมขอเลือใช้เนี่ยเกินความสามารถไหมไม่เกินหรอกครับเพราะเรารู้ว่ามนุษย์มีความสามารถแค่ไหน ไอ้ที่ละหมาดห้าเวลาเนี่ยบางคนบอกวุ้ยทําไม่ได้หรอก อ, อ, อ๋อรอไอ้คนเทียบทําได้มีเราทําไม่ได้อยู่คนเดียวเนี่ยต้องมาถามอามาถามตัวเองว่าที่ไม่ทําได้เพราะอะไรไม่มีความสามารถหรือขี้เกียจเนี่ยมีสองคำนี่แหละขี้เกียจกับไม่มีความสามารถดูให้ดีนะและอิสลามเป็นศาสนาที่ดูสภาพของบุคคลด้วยนะอะอูเลอีกอัชฮาบุญจันนะชนเหล่านี้แหละ คือคนที่เป็นชาวสวรรค์อทําทให้สุดความสามารถของเราอันไหนที่เกินความสามารถเอาร้อไม่เอาโทษคนไม่ไปฮัตก็ได้เข้าสวรรค์ได้เอาทําไมไปไม่ไปฮัตแล้วเข้าสวรรค์ได้ก็ไม่มีความสามารถตั้งไม่มีไปไม่ได้แต่ต้องดูนะบ้านหลังละสามล้านนะรถคันละห้าแสนแต่ไม่ได้ไปทําฮัตอันนี้ก็ต้องดูอีกนิดหนึ่ง อ, อันนี้ไม่มีความสามารถหรือไปใช้ยังอื่นหมดดูดี พุมฟีฮาคอรีดูนและเขาจะอยู่ในสวรรค์แบบคอรีดูนแปลว่าอยู่ตลอดกาลเข้าสวรรค์และไม่มีออกอยู่ในนั้นตลอดกาลเลยทานั่งอยู่นนั้นตลอดกาลอยู่เป็นนินนรันด์วันนันาแาฟีสูดูริหิมมิลกิลลินตาจารีมินตาตฮัตีหิมุลอันฮตและเราก็คืออัลลอฮ์จะถอดการผูกใจเจ็บที่อยู่ในหัวอกของพวกเขา พวกไหนเนี่ยพวกไหนที่เอาร้อจะถอดความผูกใจเจ็บชาวสวรรค์นั่นแหละก่อนจะเราเข้ า, าสวรรค์เนี่ยจะไม่มีการผูกใจเจ็บกันแล้วทำไมอะ่ะคนที่ขด่าเราคนที่ทำร้ายเราเนี่ยจะไม่ผูกใจเจ็บเพราะอะไรเพราะก่อนจะเข้าสวรรค์เนี่ยเอาร้อให้เคลียร์กันไงไอที่เราด่าเขาไว้เยอะๆไปไงผลบุญไปแล้วไอที่โกงเขาไว้ละ่ะเอาไปแล้ว แสดงว่าพอเข้าสวรรค์นี่มีอะไรติดพันกันไหมมนุษย์ไม่มีแล้วเพราะอัลลอ์ให้เคลียร์กันตอนหน้าประตูประตูสวรรค์เลยว่าใครที่ทำร้ายใครเอาไว้ให้จัดการคืนไปอาจารย์คนขึ้นสวรรค์คนีกันก็เคลียร์กันก่อนสิเคลียร์ได้แหละมีวิธีการนั่นและนะคือการโอนผลบุญเนี่ยมันไม่จะเป็นต้องเห็นหน้านะคือมันอัตโนมัติเลยเหมือนเหมือนเหมือนสมัยนี้แหละ ยังไม่ทันอะไรนะใจตรงใจตังก็ตังเข้ากันได้แต่เอาล็อตทำได้เคลียยังไงล่ะก็อะไรที่เราละเมิดว่ามันมีบันทึกนี่ทั้งหมดทั้งว่ามหมดไปแล้วชโชยหมดแล้วอ่านั้นเราเราทำอะไรไม่ดีคืออย่างงี้นิดนึงคือกับคนกาเฟตเนี่ยอันนี้บางคนไม่รู้นะไอ้วันที่ไปชไอ้วันที่จะข้ามสะพานเนี่ยคนกาเฟตเนี่ยไม่อยู่แล้วนะ วันที่ข้ามสะพานเนี่ยคนกาเฟตมาอยู่แล้วเอาไปอยู่ไหนอ่ะไปในรถ ก, ก่อนแล้วเพราะวันที่ต้อนเน่ยต้อนไปเนี่ยใครเสื้ออะไรก็ไปอยู่กับมันเลยคนที่จะได้ข้ามสะพานเนี่ยมีแค่มุมินกับมุนาฟิกมุนาฟิกหมายถึงคนที่เป็นมุสลิมนี่แหละแต่ทําความดีบ้างทําความชั่วบ้างรวมๆกันไปปนๆกันไปส่วนมุมินนี่ก็คือฟึบเลยเข้าวสวรรค์เลยอ่าไอ้ตรงเนี้ยที่ต้องมาเคลียร์กันเยอะแต่กับ กับกาเฟสเนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรอยู่แล้วเพราะว่ามันถูกหักกบกบหนี้หมดแล้วแต่ถามไม่ได้หมายความว่าเราทกกาําผิดกับกาเฟสไม่ได้นะให้ทกกาําผิดกาแาเฟสได้นะไม่ได้อยู่ดีแหละมันเป็นทักษกุลอาดำต้องไปเคลียร์กันทั้งหมดนั่นแหละนะแต่มันมันมันไม่มีความดีอะไรอยู่แล้วทางนู้นเนอะเห็นไหมไอ้ทางนูน้นไม่มีความดีและในตัวมันเปความเชื่อศรัทธาของเรานะก็คือไปก่อนเลยแต่ของมุสลิมเนี่ยมันยังมีความดีถ้าไม่มีความดีล่ะเพราะเรามีอิมานอยู่ไงไออิมานนี่แหละที่มันเป็นเสี้ยวเดียวนี่แหละจะทําให้เรารอดออกมาจากกนร อแต่ว่าวันหนึ่งเท่ากับห้าหมืนปีนี่แหละนี่น่ากลัวตรงนี้แหละตกแค่วันเดียวก็ห้าหมืนปีมันนานเดีวอย่าไปลงอย่าไปแวะตรงนั้นเนะี่ยไปเลยครนี้เขาบอกงนี้นะว่าอสูต ด, ดีบอกว่าสิ่งที่อยู่ในหัวอกเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงไอ้เรื่องความอิจฉาริษยากันเนี่ยจะถูกล้างหมดเลยเพราะว่า ไอหนึ่งการยโสเลมเนี่ยไม่เกิดขึ้นแล้วเพราะถูกคืนสิทหมดแล้วและความอิจฉาริษยาล่ะที่อยู่ในใจมนุษย์ล่ะอันเนี้ยมันล้างไม่ได้นี่เนี่ยหรอไมคือบางทีเนี่ยไม่ได้ไปไม่ได้ไปไปอธรรมกับเขาแต่มันเป็นความรู้สึกที่ไม่ชอบขี้หน้าสมมุติอบอกไม่ได้มันไม่ชอบไม่ถูกชะตาเออมันมีนะบางคนไม่เฮ้ยมึงเกลียดเขาเรื่องะไรไม่รู้ว่าไม่ถูกชะตาเขาเป็นคนเข้าใจแบบนี้ไอความรู้สึกเนี่ยจะถูกล้างด้วยกับสิ่งหนึ่ง อ ส, สูดดี้กล่าวไว้อ่าฟังนะการเดี๋ยวเวลาเวลาตายแล้วความรู้สึกนี้เราจะมีหรือเปล่ า, า, ามีครับ<ม>ตามไปมแต่ว่าจะเข้าสวรรค์แล้วจะไม่มีมอ่าดูนะไอ้ความรู้สึกแบบเนี้ยมันเป็นเป็นนับสู ข, ของมนุษย์ที่บางครั้งมันล้างไม่ค่อยออกมันเป็นความรู้สึกที่เข้าไปในหัวใจนะแต่ว่าเขาไม่แสดงออกมาเขาอิจฉาแหละแต่เขาก็ไม่เคยพูดอะไรออกมาหรือไปทําแสดงอะไรแต่มันมีอยู่เหมือนกันมันไสไว้แต่เก็บไว้ได้ มันเป็นระหว่างเขากับอัลลอฮ์นะนะอแต่เขาไม่พูดออกมานะเขาไม่ได้พูดไม่ทําอะไรเลยแต่มันมีอยู่ในใจคือผมว่ามุทุกคนนะมีแบบเนี้ยแต่จะเกิดขึ้นมากขึ้นน้อยอีกเรื่องหนึง่งแค่เขาไม่บอกเรานั่นแหละเออที่มีนั่งอยู่ด้วยกันออืเออแต่ว่าก็ไม่แสดงออกไปแต่คมคมได้ไงแต่มันบังคับไม่ได้ใจมันไปแล้วแต่อัลลอฮ์จะล้างให้เนี่ฟังนะอัสซุดดีบอกว่า พอนบีอ่านกุรานจบปุ๊บอธิบายเลยว่าชาวสวรรค์นั้นเมื่อพวกเขานำไปสู่สวรรค์พวกเขาจะพบว่าจะมีประตูสวรรค์ประตูสวรรค์ใช่ไหมมีกี่บานแปดเกือบตอบไม่ได้นะแปดประตูประตูสวรรค์นี่มีแปดประตูจาให้แม่นนะประตูนรกมีเจ็ดประตูสวรรค์เยอะกว่ามีแปดประตูละ แต่ละประตูเนี่ยมันจะมีต้นไม้อยู่ด้วยโคนของมันเนี่ยจะมีตาน้ำสองตามีตาน้าไหลออกมาพวกเขาจะได้ดื่มทั้งสองตาน้ำนี้เป็นการดื่มน้าจากจากจากตาน้าที่ไหลมาจากต้นไม้อยู่ตรงหน้าประตูอยู่ที่ประตูสวรรค์พอดื่มไปน้ำตาที่หนึ่งเนี่ย ไอการที่มีความรู้สึกคิดอคติกระไครหรือแม้กระทั่งถึงห่วงใช่หมมีอยู่แล้วถึงห่วงเนี่ยผู้หญิงมีอยู่แล้วแต่พอไปวันนั้นเนี่ยบิันอะไรนะั่นนางสวรรค์เพียบเลยสามีเราเนี่ยอยู่ร้อยรอบเพียบไม่หึงเลยไม่มีความหึงไอความหึงห่วงที่สยายคิดไม่ดีเนี่ยนะจะถูกล้างด้วยกับการดื่มน้ำครั้งนั้นจะถูกถอนออกไปหมดเลย แลอีกเครื่องดื่มหนึ่งอีกตาหนึ่งเนี่ยอ่าอันนี้ขอโทษดิอันนี้อันที่หนึ่งก่อนเครื่องดื่มนี้เนี่ยมันมีความสะอาดบริสุทธิน์นะแล้วก็อีกอันหนึ่งอีกตาน้ำหนึ่งเนี่ยไม่ได้ดื่มละใช้ราดใช้อาบน้ําชําระล้างร่างกายหลังจากนั้นผิวพรรณของเขาก็จะไม่มีการเหี่ยวย่นเลย พออาบน้ําอันนั้นน้าผิวก็จะสดใสขดผ่องออกมานะและตัวของเขาจะไม่สกรปรกอีกเลยมีตะกินหอมอ่าอัแรกดื่มปั๊บล้างอะไรล้รางหัวใจอันหนึ่งอาบพออาบเสร็จปับ๊บผิวพรรณสวยใสยปกติแล้วก็ไม่มีเหี่ยวอีกแล้วอ่าแล้วก็ความสกรปรกในตัวเราเป็น ไ, ไหมไม่มีเลยเขาได้อาบทีเดียวแล้วสะอาดตลอดไปเลยอยู่ในสวรรค์คราวนี้ไม่ต้องอาบน้ำกันแล้วคือการเล่นน้ํำในสวรรค์ น, นี่เล่นเพื่อสนุกอย่างเดียว ไม่ได้เล่นเพราะว่าสกรปรกเพราะในสวรรค์ไม่มีสิ่งปฏิกูลเดียวของเรื่อง อ, อไึไม่มีชีไม่มีออกมาทังอะไรไเงือ่เนี่ออกมาทังเงืออย่างเดียวกินไปออกทางเงืออย่างเดียวนะอันนี้เรื่องสวรรค์นะขอดธอาให้เราได้อาเมนเยาวบัณฑ์อาลามี น, น, าามนเป็นเป็นชาวสวรรค์อ่ะนิดนึงนะต่อมาวนรรัสซาต่อ แล้วก็ตาจรีมินตาตีฮันอันฮร์ก็จะมีแม่น้ำหลากหลายหลายอยู่ในสวรรค์วอกอลูอัลฮัมดุดินละพอเขาเห็นแบบนี้ปั๊บเขาทำไงเขาก็กล่าวว่าอัลฮัมดุดินละขอบคุณอัลลอฮ์สิขอบคุณอัลลอฮ์อัลลดีฮานาลิฮานาวะมาคุณนาลินตาดียาลาห์อันฮาาอัลลอฮ์เาดยนบทนี้เนาะเป็นบทสรรเสริญที่อยู่ในกุรานนะบางคนก็เติมคาว่าลิฮานอิสลามความจริงลีฮานนี้คือลีฮานอิสลาม แ ต, แต่ในกุฎีไม่มีคําว่าอิสลามแต่เป็นที่รู้กันว่าเนี่ยมัติอัลลอฮาฮะดานาเนี่ยฮีดายะอัลลอฮ์ Allah ให้นี่คืออะไรคืออิสลามผู้ทรงให้ทางนําแก่เราจนกระทั่งเราได้รับสิ่งนี้สิ่งนี้คือเมื่อกี้สวรรค์ไงที่เราได้สวรรค์เนี่ยพราเราได้อะไรได้ทางนําจากอัลลอห์ได้ฮีดายะจากอัลลอฮ์ถ้าไม่ได้ฮีดายะจากอัลลอฮจะไปสวรรค์ได้ยังไงนี่ไง ว่ามากุนนาลีนะตาดียลาอัลลอันฮะดานัลอและไม่ได้ทรงอไม่ได้ทรงให้ทางนำแก่อหม่นะเมื่อกี้ผู้ทรงให้ทางนำแก่เราจนเราได้รับสิ่งนี้และใช่ว่าพวกเราจะได้รับทางนำก็หาไม่หากอัลลอฮฺนั้นม่ให้ทางนำก็ไม่มีใครที่จะให้ทางนำได้มีแค่จาก อัลลอฮ์เท่านั้นไม่มีใครที่จะให้ทางนำได้มีเฉพาะอัลลอฮ์ตาอลาเท่านั้นที่ให้ทางนำแล้วก็จะอัลลอ์ให้ทางนำยังไงแล้วก็อัลลอ์ให้ทางนำโดยที่พระองค์แน่นอนพระองค์ท่งใครมาท่งบรรดาศา ส, ะสะนะทูตลงมานี่มาทำอะไรมาบอกมาสอนมาเตือนมาเป็นแบบฉบับให้เรายึดถือปฏิบัต แล้ก็นาความจริงบิลฮักมาบอกทําสรจธรร ม, มดองวานูดูอันติลกูม um ุนจันนะนั่นแหละนะก็มีการถูกประกาศให้ทราบวานู u, ดูตรงนี้หมายถึงประกาศให้ทราบหมดเลยและพวกเราก็ถูกประกาศให้ทราบว่านั่นแหละนี่คือสวรรค์นี่คือรางวัลของพระเจ้าอูร um uh ิสตูมูฮามันคือมรดกรู้จักมรดกนหะม คือตายปั๊บเนี่ยเราจะคนเป็นเนี่ยทําเอาไว้มรดกก็หมายถึงสิ่งที่มันต้องได้จากผลงานเนี่ยที่ทำต่อกันมาอเราเนี่ยรับมรดกตรงนี้เนี่ยนะก็คือสวรรค์เนี่ยเปรียบเส ม, มือนรางวัลของเราและเราก็ได้ทํามันมาก่อนคืออะไรทำความดีงามทําความดีต่างๆเนี่ยแล้วเราก็ได้รับตรงนี้อันเนื่องจากสิ่งที่เรานั้นได้กระทําเอาไว้ ตอนนี้มันมีฮะดิษอยู่ประมาณสองบทขออนุญาตนะอีดาคอละซอลมุมินบรรดามุมินเนี่ยบรรดามุมินเนี่ยผู้ศรัทธานเนี่ยได้ออกจากนรกพวกเขาก็จะถูกกักขังอยู่ระหว่างสะพานสวนรรค์กับนรกนะและความอาธรรมต่างๆจะเกิดขึ้นระหว่างเขาในโลกจะถูกนำมาตัดสินจนกระทั่งเขาสะอาดบริสุทธิ์ อ่าที่บอกว่ามันจะมีการตัดสินกันนะบนสะพานนั่นแหละก่อนจะเข้าสวรรค์และหลังจากนั้นก็ได้รับอนุญาตให้เข้าสวรรค์ขอสาบานต่อผู้ที่ชีวิตของฉันอยู่ในพระราชของบนองค์พระแท้จริงคนหนึ่งคนใดในพวกท่านเนี่ยจะรู้ที่พำนักของเขาในสวรรค์ดียิ่งกว่าที่พำนักของเขาในดุนยาซะอีกงงไหมคือเวลาเราตายปั๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าที่อยู่ของเราคือสวรรค์หรือนรก ดูเยอะดูดีกว่าตอนอยู่ดุนยาสิเรายัางทกีกลับบ้านนี่บงทีหลงๆนะแต่ในสวรรค์นี่ไม่มีหลงนะคือตามผลงานเลยพูดยังไงอีกอันหนึ่งชาวสวรรค์ทุกคนจะมองเห็นชาวนรกนี่แหละอะคีดา้าในคดีบอกว่าชาวสวรรค์จะได้มองเห็นชาวนรกแล้ว ก, ก็กล่าวว่าแมหะถ้าแม้ว่ะอัลลอฮ์ไม่ให้ทางนําแก่ฉันแล้วลก็ฉันก็คงไปอยู่กับพวกเขาแล้ว ชาวสวรรค์มองไม่ได้คนชาวนรกแล้วก็ขอบคุณอัลลอฮ์ว่าฉันได้รับทางนําแต่ถ้าเราถ้าฉันไม่ได้รับทางนั้นฉันไม่ได้เชื่อฟังพักดีตออรอฉันก็คงอยู่ข้างล่างเลยอยู่ในนรกเขาก็ขอบคุณอัลลอฮ์ไอ้ชาวนรกมองเห็นชาวสวรรค์ไหมคิดว่าเห็นไหมเห็นเหมือนกัน <laughs> เห็นทั้งคู่เลยชาวนรกก็มองเห็นชาวสวรรค์เล็กกะกล่าวว่าวันนั้นถ้าฉันไม่ดื้ออัลลอฮ์ป่านนี้ฉันก็เป็นไงไปอยู่ข้างบนแล้วไปอยู่สวรรค์แล้ว ขึ้นอยู่ขึ้นไปอยู่สวรรค์แล้วคือตรงนี้เองเนี่ยเป็นการให้เราทราบว่าคือคนที่ทําความดีอ่ะพี่น้องผู้มีหมายทั้งหลายก็จะรู้สึกดีใจขอบคุณอัลลอฮฺว่าไอ้ที่เราเหนื่อยทําความดีไปทำพั์ครั้งนั้นใสตัวแทบขาดตื่นมาละหมาดเอ๋ยทําความดีสิเกตวันนี้เป็นไงอัลทำดีแล้วฉันได้อยู่ในสวรรค์แล้วถ้าวันนั้นฉันขี้เกียจไม่แน่ฉันกาจะไปอยู่ข้างลาง่ า, า, ง า, า, งลางไปอยู่นรกคำว่าข้างล่างมายถึงอยู่นรกกันนะอ่ะาคราวนี้ ตรงนี้เองเนี่ยมันมีหะดิษบอกว่าเราจะได้เข้าสวรรค์ผลของการเข้าสวรรค์เนี่ยด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ส่วนอามันเป็นสิ่งที่นํามาซึ่งความเมตตาจากอัลลอฮ์เข้าใจนะคือสําคัญที่สุดคือผลที่เราได้เข้าสวรรค์เพราะอัลลอฮ์เมตตานั่นเองเพราะสวรรค์นั้นมันตีมูลค่าไม่ได้ดเรื่องของเราจะเอาอามันไปแลกโดยตรงไม่ได้ันจะเคยอธิบายเยอะเรื่องเนี้นะคืออย่างว่าวนนี้พวกเราทั้งหลายซื้อสวรรค์กันนะบริจาคซื้อสวรรค์โอ้พูดซะ เหมือนกับว่าสวรรค์นเนี่ยมันมีราคาแต่จริงๆไม่ใช่เลยหมายของว่าเราพยายามทำอะมันของเราเนี่ยเพื่อให้ได้รับความเมตตาจากลอร์เมื่อเราล้อเมตตาลอร์ออ ก, ก็ให้สวรรค์เราแค่ okay? นั้นเองเราเร า, เร า, เ, ราเราตีมูลค่าสวรรค์ไม่ได้หรอกอะมันเราเนี่ยเทียบไม่ติดเลยแต่ที่เราทำเพื่อให้เราได้รับความเมตตาจากลอร์สุบฮานะฮูวตาแหลอะอ่านต่อนะอายะที่สี่สิบสี่วนาดา ฮาบุลจันนติอัสฮับันารอัลกอดวะจาดนามาวะดานาวะาดอัสฮับ เราได้ว่าดั้นนามว่าดั้นเราระบูนาฮอเร้ว่านนามว่าดั้นเราพระบูนาฟะวตุมมาวดรา ผู้กลุ่มหักกอ n กอลูนน้ฟยตมวผู้กุมหักกองอลูนนม์ فأذّن مؤذن بينهم أ อัลลอมินาลลัมอัลลัมบลีมอัลลัฟุวัลอาลกัลลัลล้ีนยาสุดูนัลซบีลิลลาฮิวยบกูนฮาอจา <ال الَلَّهِ لَيَسُدُونَ أَنفَالِ اللَّهِ وَيَبَوُونَ عِرْقَهُ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَهُم มาดูความหมายนะวนาดาวนาดานี่หมายถึงเรียกนิดะฮับฟุนนิดะหมายถึงเรียกเรียกอ่าเวลาเรียกอันดับนี้เขาใช้คำว่ายายาโอโ อ, โอนี่คือเรียกแล้วนะโอ้ลูกรักยาบุเนียอ่าโอลูกรักยาอุมมีโอ้แม่ของฉันว่าไปยาอาบาจีโอยอของฉัน วันแรกอาสาบุญจะนนติอาสาบรนดาชาวสวรรค์ก็เรียกเรียกอะไรร้องเรียกชาวนรกนะอันนี้เขาเรียกว่ามีการมีการเรียกกั น, นเรียกกันพว่จะคุยกันละคือสามารถที่จะมองเห็นกันได้ด ก, ก, ก็มีกำแพงกั้นอยูอ่แต่ก็มองมก็มองเห็นได้ไง มองเห็นได้เนี่ยถึงเรียกเนี่ยเดี๋ยวจะมียายย่นึงพูดถึงอารอบอารอก็เป็นกําแพงกั้นเนี่ยตอนนี้พูดถึงสวรรค์นรกก่อนชาวสวรรค์ชาวนรกเรียกกันอัลกอดวาจัดนามาวะดนารบบุนาฮักกอแท้จริงพวกเราได้พบเลว่าสิ่งที่ใครพูดเนี่ยชาวสวรรค์ แท้จริงเราได้พบแล้วว่าสิ่งที่พระผู้บานของเราได้สัญญาไว้แก่เรานั้นเป็นความจริงคือการตอบแทนต่างๆในในผลงานความดีที่เราทําตอนนี้เราพบแล้วว่านี่คือของจริงเพราะมันก็จะมีบางคนเนี่ยไม่เชื่อโลกความตายคนที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยเขาบอกว่าตายก็คือศูนย์เปล่าดับศูนย์ไปไม่มีอะไรเลวอยวเมื่อไม่มีอะไรแล้วเนี่ยคําถามว่าเกิดไปทําอะไรเกิดมาให้มาสนุกกันเนี้นะ ชีวิตจะเป็นยังไงอ้าบางคนไม่เชื่อโอ้ยโอ้ยเขาเถียงเป็นตูเป็นตาพวไม่เชื่อแต่ว่าเขาบอกว่าไอสิ่งที่ฉันเชื่อเนี่ยถ้ามันเป็นจริงขึ้นมาคือเราเชื่อว่ามันจริงอยู่แล้วแหละเราก็เลยแค่บอกว่าถ้ามันถ้ามันเป็นจริงขึ้นมาก็ดีแต่ถ้าไม่เป็นจริงก็แค่ชก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าท่านไม่เชื่อแบบนี้อันตรายกว่าเพราะมันเป็นจริงขึ้นมาท่านอยู่ในนรกอ่าอันนี้คือการพูดกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะนอนมุสลิมนะแต่มุสลิมพูดไม่ได้ว่า ไม่จริงมันคือจริงอยู่แล้วเราเชื่อว่ามันมีจริงแต่เขาเชื่อว่าไม่จริงอเอาต่อมาฟะฮัลวาจตุม้มและพวกเจ้าละ่ะถามไปที่ชาวนรก<ม>ว่าได้พบสิ่งที่อัลลอ์มาวาดรับบูกุมฮักเกะสิ่งที่อัลลอ์ได้สัญญาไว้เป็นความจริงไหมก็แน่นอนว่ากอรูนาม นะเขาก็ตอบว่าเป็นความจริงชาวนารกบอกก็จริงเหมือนกันพ่ออัลลอ์บอกให้โมเลวอะ่ะไอคนชั่วไปไหนคนดีไปไหนแล้วก็มีผู้ประกาศคนหนึ่งประกาศขึ้นมาในหมู่พวกเขาว่าอัลลอฮนะตุลลาฮิอัลลอลิมีนขอให้อัลลอ์เนี่ยขอให้การสาปแช่งของอัลลอ์นั้นจงประสบแก่ผู้ที่อาธรรมทั้งหลายด้วยเถิดนะ ตรงนี้ที่บอกว่ามีผู้ประกาศคนหนึ่งได้ประกาศขึ้นในหมู่พวกเขาคือผู้แจ้งให้ทราบได้ประกาศในหมู่พวกเขาคือจงโดนกับพวกเขาโดยเถิดหลังจากที่พระองค์ได้บอกถึงการกระทําของพวกเขาแล้วนะคือบรรดาผู้ที่ขัดขวางาใครละ่ะอัลเลดีนยาสุดดูนาอันซาบีดินล่ะโดนโทษคือโดนโทษเพราะอะไร เพราะเป็นผู้ที่ขัดขวางผลทางขอเลาะเข้าใจไหมคำว่าขัดขวางผลทางขอเลาะคือเราจะไปทำความดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีอุปสรรคไปหมดเลย ฉ, ฉันเคยเจอนะอ่ะาเคยเล่าแล้วแหละไปเจอมุสลิมห์คุมหัวดีแต่แกบอกว่าแกแกละหมาดซูบโบไม่ได้เพราะแกต้องขายของ อ่พาพอบอกว่านี้ละหมาดเนีไม่เกินห้านาทีหรอกไม่ใช่ละหมาดสามชั่วโมงนี่เอ้ยเดี๋ยวเวลตอนเยอะไปขายสิโอไม่มีที่จากเพราะว่าที่ฉันตรงเนี้ยทีละหันเนี่ยมันมีคนเดินไปเดินมามันไม่มีสะอาดเลยฉั้นก็บอกนี้ก็หาที่ที่มันแห้งๆมีสยดาปูไปเป็นไรหรอกเอาแค่ที่เห็นอ่าพอแก้ปัญหานี้อีกเอาโลแล้วฉันจะถอดผ้าคุมยังไงล่ะถอดไม่ได้อีกอาบน้ําละหมาดข้างนอก ไอ้ที่พูดมาทั้งหมดนี่คือจะไม่ละหมาดน่ะคือคือดูแล้ะตกลงอย่าละหมาดไม่ใช่อย่าละหมาดเดี๋ยวฉันจะแก้ให้ทีละข้อสุดท้ายบอกว่าโอ้ไม่มีทางไม่มีทางไหนแล้วที่จะหนีการละหมาดได้ละหมาดได้สุดท้ายละหมาดได้ก็สอดเข้าไปสิผ้าเนี่ยแม่สอดเข้าไปได้เป็นไรละ่ะไม่ต้องแกะด้วยสมมุติที่คนเขาเห็นก็สอดผ้าเข้าไปเอาแค่ส่วนนึ่งก็ใช้ได้แล้วหูก็ยอดว่าเขาไปใส่แค่นี้นะแล้วนั้นเนี่ยมันไม่มีคําว่าทิ้ง ยกเว้นว่ามันจะไม่ได้จริงๆแต่เหตุที่ทิ้งเนี่ยเพราะอะไรเพราะไปเข้าทางชัยตอนชัยตอนมันให้เราตั้งกฎเกณฑ์ของศาสนาซึ่งถามว่าเป็นกฎเกณฑ์จริงไหมเป็นกฎเกณฑ์จริงแต่อิสลามมีข้ออะไรพ่อผ่อนป้นไงทำได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะอ่านั้นนําเลียกับพี่น้องว่ามันจะมีบางคนที่เหมือนดูเหมือนเคร่งศาสนานะ บางคนเนี่ยบางคนเนี่ยออกไปนอกบ้านนี่ไม่ละหมาดเลยเพราะจะเข้าใจว่าเป็นไงชุดที่ใส่เนี่ยเปื่อนจะเข้าบ้านต้องเปลี่ยนชุดนะชุดละหมาดต้องมีชุดเฉพาะแล้วนี่พอไปเข้าจทดกดแบบนี้เนี่ยพอออกนอกบ้านละหมาดไหมไม่ละหมาดแล้วเนี่ยมีอย่างงี้เนี่ยเป็นโรคเนี่ยโรวิสวดด้วยนี่แหละถูกขัดขวางผลทางความดีแต่ถ้าคนที่ จะละหมาดนะมันละหมาดจนได้แหละมันหาวิธีของมันโดยที่กฎเกณฑ์ต่างๆจะถูกผ่อนปลนตามสถานการณ์นะไอ้คนี้เวลาเรียนศา ส, สนาเนี่ยต้องเรียนข้ อ, อผลพันด้วยอย่าลืมเพราะไม่เรียนข้ อ, อผลพันนี่คขาจะยุ่งเลยทําไม่ได้ทําไม่ได้ไม่ได้สุดท้ายทิ้งละหมาดวายะบากูนะฮะไอ้ว่าจะและปรารถนาทางที่คดเคี้ยวอัลลอฮฺวะบัตทางอื่นที่ ที่เป็นความชั่วของมายนะง่ายหมดเลยทำได้ง่ายหมดเลยไอ้ทางนี้เป็นของดีเนะี่ยไม่ทำไอ้แต่ทางเรื่องอื่นล่ะเขาชวนไปทำไอ้ของไม่ดีนะโอ้โหสบายเลยมีเวลามากเลยแต่พอจะชวนมาฟังศาสนาอุย้ยยุ่งงานเยอะเออไม่มีเวลาแต่ทา่ทานทางอื่นที่นอกจากศาสนาเป็นทางที่คดเคี้ยวนะมีเวลาเนี่ยและเป็นไงพี่น้องและเขาบอกว่าและก็ปรารถนา และต่อวันอาคิร้อนนั้นเขาปฏิเสธขอโทษทีและในวันอาคิร้อนนั้นเขาปฏิเสธนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งในสงครามอุฮุดมันมีบอ่อน้ำชื่บอบ่อน้ำว่ากอลิปบ่บอน้ำกอลิปนบีเนี่ยนำศพของอาชญากร ไปทิ้งในบ่อน้นํานะไปทิ้งในบ่อน้ําเสร็จแล้วนบีก็ตะโกนพูดว่ายะอบูญาฮันบินฮิชามอันนี้ตายแล้วอบูญาฮันตายนาบีก็เอาไปโยนในบ่อนะแล้วก็มีอุจบาบินรอบีอาอันนี้ก็หัวหน้าโจกนี่พวกนี้มูชริกีนหมดเลยนะสงครามปะดับและก็ชัยบาบินอบีรอบีอาอันนี้พี่น้องกันอุจบากับชัยบา ซัมมารูอูสะหุมนี่คือบรรดาหัวหน้าของพวกเขาบอกว่าในาบันนี้คือหัวหน้าพวกเจ้าจะพบสัญญาที่พระผู้วิบาลของพวกเจ้าได้สัญญาเอาไว้จริงแล้วหรื อ, อยังแปลว่าตั้งแต่ตายเนี่ยอัลลอฮฺให้เห็นเลยนะคนชั่วเนี่ยพอตายปั๊บเนี่ยรู้เลยว่าตัวเองจะอยู่ไหน คือไม่ต้องรอเข้านร ก, กวันนั้นนะเห็นแล้วว่าตัวเองจะไปไหนรู้แล้วโดนแล้วก็อย่างที่บอกาบาศ ก, ก็โดนแล้วนะอุมาจึงกล่าวว่าท่านรอศูนท่านกําลังพูดกับคนที่พินาศไปแล้วหรือหมายถึงมันตายไปแล้วขอโทษทีมันตายไปแล้วเนี่ยทําไมนบีต้องไปพูดด้วยตายไปแล้วนบีบอกว่าขอสาบานต่อชีวิตพูดที่ชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ก็คือต่อร้อนว่าพวกท่านได้ยินสิ่งที่ฉันกล่าวมามาก พวกฉันเนี่ยพวกท่านเนี่ยไม่ได้ยินสิ่งที่ฉันกล่าวมามากไปกว่าพวกเขาหรอกแต่พวกเขาไม่สามารถตอบโต้ได้นั่นหมายความว่าไอคนตายเนี่ยไม่ได้ยินน่ะที่นบีพูดเนี่ยได้ยินแต่แค่ว่ามันต่อตบวอะไรได้ ไ, ดไหมต่อต่อต่อตอบ อ, อ, อ, อะไรไม่ได้ลิ้นไปละลิ้นพันอ่ะโอเคนะเอาอ่านต่อสี่สิบหกสี่ิบเจ วَไ ا เนหَ ع าฮَจาร์วบَ ا เน ي َมาฮิจาَ์َ่า ل َลอาราฟิร์จาลُยะรَฟุนักลัมบَซิมาหุมว่าَาَอَราฟิِ์ُ و ن َ วน ن ด اأصحاب الجنة أ َ الج ل َ ا م عليكم َ و น ن ด اأصحاب الجنة أ َ ل ا م عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون แล้วจะกลัวเหรอว่าจะกลัวเหรอว่าจะกลัวเหรอว่าจ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين صحاب الأعراف رجالي يعرفونهم بسمهم وماذا أصحاب الأعراف رجالي يعرفونهم بسمائهم ا ل و من جمعكم وما كنتم تستكبرون ละก็สำตุมลานานุหมุลลาหูบิรห์มห์ เุลจันตะละขั้วุนอ้ายกุมวลาตุมต ن จานุน วัวใบหน้าหูมาระหว่างชาวสวรรค์กับชาวนรกเนี่ยฮิ j าบุนฮี j า b ตรงนี้เขาแปลว่ากำแพงกัน้นมีสิ่งกั้นอยู่อี j าบเนี่ยสมัยสมัยท่านท่านยังไงซะเวลาที่จะมีคนมาหาท่านก็จะมีอะไร ม, มีมีม่านกัน้นแล้วจะพูดผ่านม่านนะแต่ฮิ j า b เนี่ยความหมายเดียวนี่คือกันน้นมีที่กั้นอยู่แดีวนี้เขาแปลว่ากำแพงเลย ซึ่งเป็นยังไงเนี่ยเราไม่รู้นะว่ารอวาอลลำนะออันนี้เป็นเรื่องไอ้มุนเก็บที่กุรานกล่าวไว้เป็นอย่างไรว่าลอวายลำแต่รู้ว่ามันมีที่กั้นอยู่<อ>เขาก็เลยว่าแปลว่ากำแพงเพราะว่ามันมีคนอยู่ข้างบนได้ไงโดยปกติในกำแพงใหญ่ๆเนี่ยเป็นไงมันก็สามารถขึ้นไปอยู่ไอ้ข้างบนได้แต่ถ้าม่านนี่ขึ้นไม่ได้นะหักนะอ่าม่านนี่คือไปอยู่ข้างบนไม่ได้หักก็แปลว่ากำแพง อารันอารอฟว่าอารันอารอฟและบนกำแพงเนี่ยไอ้บนที่กั้นอยู่เนี่ยระหว่างสวรรค์กับนรกเนี่ยรีจารุลมีชายอยู่กลุ่มหนึ่งยาอารีฟูน่ะกุลลำบิซีมาหุมมีชายอยู่กลุ่มหนึ่งอยู่บนกำแพงเนี่ยนะซึ่งพวกเขาก็รู้จักกันทั้งหมดด้วยกับเครื่องหมายนะที่พวกเขานะด้วยเครื่องหมายของพวกเขา เขาเรียกว่ามีรู้จักกันจากเครื่องหมายเครื่องหมายคืออะไรเป็นคนดีไม่ดีมันจะมีเครื่องหมายบอกนะใบหน้าในวันกิยามัตอัลลอฮ์ Allah บอกแล้วใบหน้าสว่างสวัยชาวสวรรค์ใบหน้ า, า, า, ววนนาคนที่ชาวรกมีเครื่องหมายอยู่ปรากฏที่ใบหน้าวานาดาอัสฮะบัลญันนะคนที่อยู่บนกำแพงก็คือคนที่อยู่ขา้าวชาอัลอฟเนี่ยก็เรียกชาวสวรรค์ให้สลาม อันสลามุนก็ให้สลามขอความสันติซึ่งเป็นคําทักทายของชาวสวรรค์นะอการที่เราซ้อมสลามกันเนี่ยเราซ้อมคําทักทายชาวสวรรค์อัลสลามุอะลัยกุมสลามสลามุาลอะลัยกุม๊มก็คืออัลสลามุอะลัยกุมนั่นแหละอแต่ใช้คํำว่าสลามุาลอะลัยกุม๊มสันติจงมีแด่ท่านทั้งหลายเถิดลัมยะเดอรูฮะวะฮุมยะตะมาอู โดยที่พวกเขาเนี้ยยังไม่ได้เข้าสวรรค์และพวกเขาก็มีความปรารถนายอย่างแรงกล้าที่จะเข้าทำไมเข้าไม่ได้ละ่ะเพราะความดีกับความชั่วเขาบอกนะเมือ Allah, ม่ออัลลอ์เมื่ออัลลอ์ตายล้กล่าวถึงการโต้อตอบกันระหว่างชาวสวรรค์และชาวนรกแล้วระหว่างสวรรค์กับนรกนั้นมีกำแพงกั้นมีให้ทั้งสองฝ่ายมาปะ ป, ะปนกัน อิบนุจารีตได้กล่าวว่ากำแพงที่กั้นระหว่างสวรรค์กับนรกนั้นคือกำแพงที่อัลลอ์ได้กล่าวไว้ฟะดูรีบาบานะฮุมบิซูบีซูรินขณะนั้นจะมีกำแพงที่มีประตูบานหนึ่งมีประตูด้วยนะกำแพงเนี่ยมีประตูอยู่บานหนึ่งมาขวางกั้นระหว่างเขานี่อยู่ในกุรานเนี่ยสุระอัลฮัดิดด้านในของมันนั้นมีความเมตตาด้านนอกของมันคือการลงโทษประตูอะประตูฝั่ง ฝั่งชาวสวรรค์ก็เมตตาไอฝั่งชาวนรกก็ลงโทษกำแพงนั้นก็คืออาร์ราฟนั่นเองว่าอ้แหลอารราฟรีาลุนอยู่ในสุรารฟาฟสาเหตุสาเหตุที่ไม่ได้เข้าสวรรค์แล้วเข้าไปนรกที่อยู่บนกำแพงเพราะความดีกับความชั่วของเขานั้นเป็นไง เท่ากันพอๆกันอัลละฮ์มีได้ให้ความปรารถนาแดงกล้าในหัวใจพวกเขานอกจากความประเสริฐและจิตใจของพวกเขาคืออย่างนี้ออไอการกระทาผลงานเนี่ยมันมันชัดอยู่แล้วแต่ใจอ่ะใจเนี่ยอยากไปไหนอยากไปสวรรค์ไอใจที่อยากไปสวรรค์นี่แหละคือความประเสริฐอย่างหนึง่งพี่น้องรู้นะ การที่คนคนหนึ่งอยากจะไปสวรรค์เนี่ยนี่คือความประเสริฐในใจของเราอย่างหนึง่งคือใจไม่ได้ฝ่ายชั่วพวูดง่ายใจเนะี่ยใยดีนะ่ะหละแต่บางครั้งมันมีบางอย่างมาฉุดมาดึงคือเขาเนี่ยถ้าเกิดไม่มีอะไรมามามาดึงเนี่ยเขาก็คนดีคนหนึง่งคือใจมันใยดีนะคราวนี้และเมื่อบรรดาสายตาของพวกเขาหันไปทางชาวนรก ก็คืออยู่ระหว่างกันก็หันไปมองมองชาวนรกกอลูรบ banana เขาก็ขอดูอาเลยอโอ้เออรอยาให้เราอยู่ร่วมกับกลุ่มชนที่อาธรรมนี้ด้วยเถิดเห็นยังมองไปชาวสวรรค์ใจอยากจะเข้าสวรรค์มองไปทางชาวนรกเป็นไงขอให้เราไม่อยู่รวมกับพวกชาวนรกได้เถิด <laughs> เสร็จแล้ววันนดาอัสฮาบุลอารอ และบรรดาผู้ที่อยู่บนกำแพงนั้นก็ได้ร้องเรียกชายกลุ่มหนึ่งอันนี้พูดถึงชาวนรกล้วร้องเรียกชายกว่ากลุ่มชาวนรกยะอาริฟูนาหุ่มบีซีมาหุมชาวนรกก็มีเครื่องหมายอยู่ชาวนรกก็จะมีเครื่องหมายชาวนาสวนรรค์ก็มีเครื่องหมายกอลูมาออรนาอันกุ่มบอกว่าไงครับโดยกล่าวว่าสายหตุ ท, ที่ชาวนรกไปอยู่ตรงนั้นเนี่ย อักนาอันกุมคือพวกเจ้าเนี่ยสะสมทรัพย์สินเงินทองอักนาอย่างที่บอกไปแล้วว่าส่วนใหญ่ของคนที่เข้าสวรรค์นเนี่ยคนจนเนี่ยคนรวยคนรว ย, คนรวยมีส่วนน้อยแล้วส่วนหนึ่งที่ที่ไม่ได้เข้าก็ไปอยู่ในนรกเพราะอะไรเพราะสะสมทรัพย์วันๆหาแต่ตังค์ไม่สนใจเรื่องละหมาดหาแต่ตังค์อย่างเดียวเอาตังค์เป็นใหญ่นะหาแต่ตังค์แล้วไงต่อ และยานาจำโอหุมและกระสะสมันว่ามากุณตุ้มตัสตักบีรูลแล้วก็เป็นพวกที่โอหังมีคนมาเตือนมีคนมาบอกว่าทำไมลราไม่ละหมาดโอ้ยเสียเวลาฉันเอาเวลาไปทำหมากินดีกว่าโอหังอีตัางหากเอาแลบอกว่าไอความโอหังนี้เนี่ยหรือทรัพย์สินเนี่ยที่ได้มาเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ไม่อำนวนประโยชน์แกเจ้าเลยในวันกียรติกลายเป็นบาปต่างหาก อาฮาอูลัอิลลดีนะอากษัมตุมลายันาลูหุมุลลอหุบิราะมะชนเหล่านี้ใช่ไหมคือผู้ที่เจ้าได้สาบานไว้ว่าอัลลอฮ์จะไม่ทรงให้ความเมตตาใดๆแก่ประสบแก่พวกเขาคนเหล่านี้เปล่าที่พระเจ้าบอกไว้ว่าอัลลอฮ์จะไม่ให้ความสำเร็จเด็ดขาดนะเสร็จแล้วอูดะคูลูแปลว่าอะไรอูดะคูลุนจันนะ พวกเจ้าจงเข้าสวรรค์กันเถิดโดยไม่มีความหวาดกลัวใดๆแก่พวกเจ้าและพวกเจ้าก็จะไม่เสียใจคือสุดท้ายเนี่ยเขไปสวรรค์ก็ไปนรกกันหมดแล้วไอ้นี่อยู่ค้างอยู่บนไหนบนกำแพงอยู่เลยคือสุดท้ายเนี่ยอลัลลอฮฺตัดสินสุดท้ายแต่ด้วยกระใจที่ปรารถนายอยากไปสวรรค์เนี่ยอลัลลอฮฺก็ให้เข้าสวรรค์ไป <c oughs> แต่เข้าสุดท้าสุดเลยเ <c oughs> ข้าช้าหลังกว่เพื่อนเลยเพราะไปอยู่บนกำแพง <c oughs> นะสุดท้ายอาลัลลอฮฺบอกอุดเดคูรุลนเจนนะเข้าสวรรค์ไป พวเราอย่าเี้ยครัอ่าอันนี้ก็อย่าให้เป็นนะพี่น้องอันนี้ก็อย่าให้เป็นให้ไปก่อนอ่าสุดท้ายก็คือได้เข้าสวรรค์โดยที่ไม่มีความหวาดกาดลัวใดๆและก็ไม่เสียใจนะแต่ว่าสาเหตุที่เข้าความดีความชั่วเท่ากันเพราะหัวใจของเขาเนี่ยไฟที่จะอยากไปสวรรค์นั่นแหละคือความประเสริฐอย่างหนึ่งนะอันนี้ก็ขอให้พวกเราเนี่ยขอดูอากันเสมอนะให้เราได้เข้าสวรรค์ขออรลอสุบฮาหนะฮุวาตาลาและห่หางไกลจากไฟนรกสุบฮาหนะกอลฮุมมาอวิหัมดิกา أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته